เดี๋ยวจะเล่าไปนิดหนึ่งผมว่าลองท่านลองอธิบายตัวนี้นิดหนึ่งครับคืออปรามัตอปรามัตธารามัตธาีนี่สำหรับกัลยาณปุถุชนเช่นกันลยากัลยาณ์นักปุถุชนกําลังเจริญวิปัสสนาหรือว่ากําลังเจริญมหากุศล น, นี่นะครับเจริญวิปัสสนาแต่ยังไม่ได้มักได้ผลนะครับ ศีลอันอนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับตันหาและทิฏฐิดูไหมครับเช่นพานไม่เกี่ยวข้องกับตันหาและทิฏฐิแต่ตันหาแต่ก็ยังศีลอันอนั้นก็ยังเป็นอารมณ์ของตันหาและทิฏฐิได้เช่นพานยังเป็นอารมณ์ของตันหาและทิฏฐิของตัวเองหรือของคนอื่นก็ได้เช่นพานแต่ว่าถ้าหากว่าอป布拉มัตศีนี่นะครับถ้าหากว่าเป็นของเสขาบุคคล ถ้าเป็นเสียขาบุคคลนี่ก็จะแตกต่างกับกัลยาณบุทธชลละเพราะว่าไม่เป็นเลย<น>ไม่เป็นไม่เป็นอารมณ์ของตันหาลู ป, ปาทานถูกไหมครับเช่นได้ส่วนปฏิสัต์ที่นี่หมายความว่าสงบประ ง, งับ อ, อันนี้ไม่มีเลยมีเฉพาะพพ เ พ, าพออราะเพราะพระยะอย่างเดียวทัออ้ ง, สสงเสขาและเสขาและอาเสขะแต่ว่าเป็นศีลที่สัมพยุติกับอริยผลส่วนอัปปรมามัทศีลเนี่ยนะกว้างคือนับตั้งแต่ปุตุชนผู้ผู้รักษาศีลที่เป็นสัมภาระแห่งมรคคาว่าสัมภาระหรือปกตูป่านิสยปัจจัยแห่งอริยามรคนะสัมภาระนั้นก็คืออุปนิสัยแห่งอริยามรคศีลแบบนี้ก็ชื่อว่าอปปรมามัทศีล คือกาลยาณปุตุชนเหล่านั้นไม่ได้ตั้งตั้งศีลอันนี้เพื่อสวรรค์ใช่ไหมไม่ได้ตั้งศีลอันนี้เพื่อพบใดพบหนึ่งแต่ปรารบกุศลศีลอันนี้เพื่ออริยมรตนะนะเพื่ออริยมรตเจริญกุศลศีลเหล่านี้เพื่ออริยมรตเพราะฉนั้นศีลที่ตั้งเป้าหมายเพื่ออริยมรตอย่างนี้ตันหาและทิฏฐิไม่ไม่จับต้องเพราะฉะนั้นศีลของกาลยาณปุตุชนเหล่านั้นก็เป็นอัปปรามัทธศีล ส่วนถ้าเป็นพระเสขาไปแล้วเนี่ยอย่างไรเสียสีนของท่านตันหาและทิฐิไม่ไม่รูปคลัำเพราะท่านไม่ต้องเอาสีนนั้นเนี่ยนะที่ที่ท่านรักษาเพื่อสวรรค์ชั้นสูงก็ได้เพราะว่ายังไงท่านก็ไม่ต้องไปอาบายอยู่แล้วติกะที่สี่ ศีลนี้จัดว่ามีสมอย่างโดยเกี่ยวกับเป็นวิสุทธศีลอวิสุทธศีลเป็นต้นวิสุทธนี้แปล ว, ว่าบริสุทธ อ, อย่างนี้คือศีลใดอันพิสุผู้มิได้ต้องอาบัตทำให้เต็มได้แล้วหรือต้องอาบัตแล้วทำคืนปรงอาบัตได้อีกเนี่ยนะทำคืนอีกแล้วอย่างนี้ศีลนี้ชื่อว่าวิสุทธศีลนะนะคือเป็นอาบัต เคยเป็นแต่ว่าเป็นแล้วก็ทําคืนหมดแล้วละ่ะนะคล้ายๆกับเคยมีหนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าใช้หมดแล้วก็เรียกว่าคนไม่มีหนี้ถามว่าเคยมีไหมเคยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหนี้หรอกคล้ายๆแบบนี้เรียกว่าวิสุทธสีน์คำว่าทําคืนเนี่ยนะทำคืนนี้ในดีกาท่านบอกว่าสองอย่างคือวุฒานะกับเทศนาวุฒานะนี้แปลว่าการออกหรือการประพฤติเช่นอยู่ปริวาสอันะ การออกจากสังขารที่เสรด้วยการอยู่ปริวัตรการออกจากอบัตต์ต่ำประนั้นลงมาก็การแสดงคืนว่านะแสดงคืนเช่นท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องอบัตต์ทุรจัยอย่างเงี้ยข้าพเจ้าขอแสดงคืนอบัตตนั้นคืนกับท่านเหงือนกันอุตอุโสท่านเห็นะอบัตตนั้นหรือครับผมเห็นเออดีแล้วขอให้ท่านสํารวมระวังต่อไปดีแล้วข้าพเจ้าจะสํารวมระวังด้วยดีเหาือนกันอ่าถ้าอย่างนี้ก็บริสุทธิ์แล้วแต่ต้องแสดงคืนกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ไห น, นนะถ้าแสดงคืนอย่างนี้แล้วก็บริสุทธิ์ไหนนะแต่ว่าอาบัตบางอย่างนี้ถ้าเป็นอาบัตประเภทนิสคีนะต้องสละก่อนอายกตัวอย่างยอมเข้าถวายน้ํำพึ่งมาขวดหนึ่งชันไม่หมดเจ็ดวันและชันไม่หมดวันที่แปดราตรีที่แปดขึ้นอ้าเป็นอาบัตและทีนี้ไปปลงอาบัตเลยไม่ได้ต้องเอาน้ํำพึ่งไปสละก่อนนะว่าถ้าเพศรรัตวของข้าพเจ้านี้เป็นของเก็บ เกินเจตระตรีอ่างั้นแต่เป็นของจำจะสมะละข้าพเจ้าสละเพศัตชนี้คืนแก่ท่านก็สละก่อนแล้วค่อยปรองอบัตาดจึงจะได้ลไสละให้อีกองค์ไปก่อนเสร็จแล้วก็พอแล้วก็ปลองอบัตาดแต่ธรรมเนียมเขาบอกคนที่รับสละต้องคืนให้อีกนะไม่คืนไม่ได้ต้องคืนเป็นวินัยกรรมไม่ใช่โอ้สละแล้วหายสิบไปเลยไม่ใช่นะสละแล้วก็ให้คื น, ใ ห, คนให้คืนองค์ที่เป็นเจ้าของอ่ะ เอาเขาสละตามวินัยกรรมก็ไม่ได้ยกให้เราเลยเนี่ยไหนนะเออไม่ได้ละถ้าถ้าเก็บคือเก็บเก็บเกินเนี่ยฉันไม่ได้ละเอาออกมาไม่รู้เอามาผสมเป็นยาอย่างอื่นมาทําอย่างอื่นก็ได้ไมั้งอาจจะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอี ก, ก น, นะทาแผลอย่างเงี้ยน่าจะได้น้ำผึ่งนี่ทาแผลได้นะได้ไหมครับน้ำพิ่งทาแผลได้นะน้ำพิ่งทแท้ไหม ฉันเข้าเย็นนี้่ไม่ต้องไม่ต้องสละนี่ปลงอบัตดได้เลยเอ่านะแสดงคืนไปเลยเอา่าก็บอกคือบอกชื่ออบับดนะนะว่าข้าพเจ้าต้องอบัตชื่อปาจิตตีหลายตัวนะถ้าฉันหลายคําก็หลายตัวล่ะหลายตัวข้าพเจ้าขอแสดงคืนอบัตดนั้นคืนแก่ท่านแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้เช้าก่อนแล้วค่อยไปแสดงอย่างี้ก็เพิ่มทุกกฎอีกตัวเพราะปกปิดไว้คืนนึงอย่างนั้นนะ S <S <S <ess UK> ฉันทุกวันแสดงทุกวันนะ <S 2> <S 2> <S คิดๆไปก็ก็เหมือนกับเรามีคนคนนึ่งนะเอามีดแบบฟันแขนตัวเองแล้วเอายาอย่างดีมาทานนะถ้าฟันก็เลือดอาไปนะมาทาอีกมันก็บาปทุกถ้าเนนเนี่ยนะถ้าศีนข้อหกถึงข้อสิบนี่เป็นวัตถุแห่งทันตกรรมต้องทันตกรรมนะอันนี้หน่อยเนี่แปลว่าต้องถูกลงโทษต้องถูกทันตกรรม เช่นหักฟืนขนสายตักน้ําเป็นต้นเนี่ยต้องไปทํำธนตกรรมนะแล้วก็ศี่นั้นจึงจะ บ, บริสุทธิ์คือแต่ถ้าขาดข้อ1ถึงข้อ5้าปราชิกโกปาราชิกของเนนนะนะคือถ้าภิกษุเนี่ยนะถ้าปาราชิกของภิกษุเนี่ยต้องฆ่ามนุษย์เป็นต้นไปแล้วจึงจะเป็นปาราชิชแต่ถ้าสำมเนเนี่ยไขยมดดามดแดงบี้ให้แตกไงคือว่าเป็นปาราชิกของเนนต้องเหลือแต่เพศละต้องขอสารณคมใหม่ ต้องเท่ากับเหมือนกับบทใหม่เลยเพียงแต่ว่าไม่ต้องใส่ภาพใหม่เท่านั้นเองนะถ้าผิดศีลข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยนะต้องขอสาระคมใหม่หมดเลยนะก็เหลือแต่เพศไว้เท่านั้นเองนะในคำทีคุกะนิกายคุกะปาทะเนี่ยนะเรื่องสิกขาบทสิบก็มีกล่าวแล้วก็มหามหาคันธกะ เล่มหเนี่ยนะฉบับ91เล่มอยู่เล่ม6กล่าวถึงศีลของสิกษาบทของสัมมาเนนไว้ที่จริงแล้วสัมมาเนนเนีย่ยรักษาไม่ง่ายนะถ้าถ้าสัมมาเนนตามทำจริงๆเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะว่าสัมมาเนนจะต้องมีศิกษาบทสิแล้วก็มีวัดปฏิบัติอื่นๆประกอบด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาสิบก็พอแล้วอย่างถ้าสิบแปลง่ายไปอะนะง่ายๆอย่างนั้นแล้วโอ้โหบริโภคปจัจจัยศีลของชาวแว่นแควนเนี่ยดูแล้วไม่คุ้มค่าเลยนะ แต่ว่ากุศลศีลด้านอื่นๆท่านยังมีอีกนะเช่นวัดปฏิบัติอาจารยวัดอุปชายวัดเป็นต้นก็ต้องมีด้วยไม่ใช่ไม่มีแล้วก็เศขียวัดทั้งเจ็ดสิบ้าสัมมณเนนก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำคืนก็บริสุทธิ์แล้วเราก็มีวิธีทำคืนอย่างที่ว่าไปของคารวดทำคืนไงสมาทานใหม่ถ้าหากว่าอ้าวไปแอบดื่มเหล้ามาไง สมาทานใหม่รึเป่าหรือว่าโอ้โหยุงกัดแหมตายซะได้ก็ดีเลยปรับเข้าไปทําไงขาดละสมาทานใหม่ถ้าสมาทานใหม่ก็บริสุทธิ์ละแต่อย่าลืมว่าบาปที่ทําก็เป็นอันบาปไปแล้วนะไปล้างไม่ได้นะเออสมาทานใหม่ชั้นสมาทานเมื่อไหร่ล้างบาปไปเลยไม่ล้างนะบาปก็เรื่องของบาปที่สมาทานก็คนละจิตแล้วใช่ไหมจิตคนละดวงแล้วที่บาปก็บาปไปไอที่บุญก็บุญไปคนละขณะคนละตอนกันจะล้างกันไม่ได้ แต่ถ้าบุญให้ผลนำเกิดออบาปแกก็บอกเ อ, อเอาไว้ก่อนเนื้อฉันตามคุณจะถึงเมื่อไหร่ก็เอาคืนบ้างอ่ะเนยใสเนยค้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยห้าอย่างเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันถ้าเป็นไม่ใช่ห้าอย่างเนี่ยถ้าเป็นตระกูลเพศสัตว์ก็ตลอดชีวิต นะถ้าตระกูลยานะยารักษาโรคที่ไม่ได้มีส่วนส่วนผสมของ5อย่างเนี่ยนะเช่นทั่วตัวที่เป็นยาอย่างเช่นพริกอ่ะนะยกตัวอย่างพริกเนี่ยอย่างวา่าพริกผงเนี่ยเอามาถวายเก็บได้ตลอดชีวิตอะนะันนพริกเนี่ย่ก็เข้าเ ข, ข, ข้าตัวยานะแต่ยังนึกไม่ออกว่ามยาอะไรบางก็ไม่รู้พริกนะยกตัวอย่างะนะตัวยา<ๆ>อื่นๆก็เหมือนกันเช่นพริกไทยอย่างเงี้ยดีปรี นะพริกไทยดีปรีพวกเนี้เก็บได้ตลอดชีวิตเลยถ้ามันไม่เสียก่อนนะ น, น, น, น, นี่ยเจยตนาจะเก็บไว้กีก่หลอดใส่แกงจืดอ๋อไม่ได้ไม่ได้เข้ามาผสมอาหารไม่ได้ผสมอาหารเนี่ย โ, โหเรียกคืเนเลยนะเท่ากับว่าอาหารนั่นสะสมถ้าไปประกอบกับอาหารเอามาฉันเนี่ยนะเป็นอบัตเพิ่มอีกหลายเรื่องเลยนะ น, น, นี่ ย, ยคืออ๋อคือถวายได้แต่ว่าพระเนี่ยนะ คือถวายอะไรเนี่ยพระก็บอกวัตถุที่เป็นรับได้กับรับไม่ได้ก่อนก็จะมาแยกเช่นอข้าเปลือกไม่รับไม่ได้นะข้าวเปลือกถวายรับรับประเคนไม่ได้ของดิบเนื้อดิบเนี่ยนะรับประเคนไม่ได้อ่าแล้วก็พวกอนา ม, มาตเช่นแก้วแวนเ ง, งินทองทั้งหลายแหละรับไม่ได้กล้วยดิบนี้เ อ, อ, อ, อ่ากล้วยดิบเนี่ยนะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ต้องต้องช่วงเช้านะเช้าเช้าถึงเที่ยงอ่ะนะ ได้แต่ว่าไปฉันยังไงอีกเรื่องหนึ่งละแต่ว่าเวน้นเฉพาะเนื้อดิบแล้วก็พวกเข้าวเปลือกเนี่ยนะเข้าวเปลือกทุกชนิตไม่ได้ เ, ไเขาบอกว่าเรียกว่าพีชคามพืชนั้นยังยังปลูกขึ้นได้ก็อะไรที่ยังปลูกขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นพีชคามคือรับได้นะรับปนะระเคนได้แต่ว่าถ้าจะฉันเนี่ยก็บอกว่ามีวินัยกรรมว่า ทำให้ควรก่อนทำให้ควรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าผักบุ้งมาใช่ไหมผักบุ้งเนี่ยมันยังงอกได้อีกผักบุงสดเนี่ยนะผักบุงสดเมื่อยังงอกได้อีกเนี่ยต้องเอาพระก็จะถามว่าก oh ับปียังกรโลีเหมือนงันท่านทําให้ควรโยมก็เอามีดจิกลงไปก็บอกว่าสมควรแล้วหรือกับปียังพันเตะนะกับปียังเนี่แปลว่าสมควรแล้วนะพันเตก็คือเจ้าฆ่าหรือครับอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสมควรนะครับเหมือน ง, งัน พลไม้ที่มีเม็ดแล้วปลูกขึ้นอีกก็เหมือนกันนะนะเรียกว่าทํากับปยังเป็นวินัยกรรม ม, รมีผลว่าก็เคารพพระวินัยบัญญัติไงพระองค์ให้ทําอย่างไงเป็นพระวินัยบัญญัติพระองค์บัญญัติสิกขาบทเหล่านี้อาศัยอํานาจประโยชน์สิประการแต่ถ้าหากว่ามันฉันง่ายๆไปนี่บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะพออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะถ้าหากว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องลืมพระวินัยอันนี้ไปก็ กุศลศีลก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นปาติโมกสังวรนีสำเร็จด้วยศรัทธาอันอาศัยศรัทธาในพระผู้มีพระภาคถ้าสมัยสมัยนี้นะแต่ถ้าสมัยโบราณจริงๆแล้วคารวะเขาเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยเป็นพูด เ, เป็นชีวะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมก็เรื่องของมันแหละก็คือทำอย่างเดียวเนี่ยนะ้นาในภาชนะเดียวก็ทำอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นอันทำแล้ว คือตรงนี้เนี่ยเป็นวินัยเนี่ยบางอย่างเป็นโลกวัตชาบางอย่างเป็นปณิติวัชชาคำว่าโลกัตชาเนี่ยใครทําในสิ่งนั้นบาปทันทีเลยยกตัวอย่างในอ ย, ย่างฆ่าแมลงเนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ย พ, พระฆ่าก็าบาปโยมฆ่าก็าบาปใครทําบาปหมดเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอาบัติที่พรอองศ์ทรงห้าแบบนม่เรียกว่าโลกัตชาโลกัตชาแต่ถ้าอาบัตอย่างเช่นเนี่ยนะตัดต้นไม้ใบหญ้าเนี่ย จะเป็นเฉพาะพระภิกษุอย่างเดียวคือสัมเนธตัดได้พระาะเก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะสัมเนธหรือคารว่าเขาก็ตัดทั่วไปได้ไม่ถูกตําหนิไม่ถูกอะไรแต่ถ้าพระภิกษุตัดอันนี้เป็นผิดพระวินัยวินัยแบบนี้เขาเรียกว่าปัญติวัชชามีโทษทางพระบัญญัติคือพระ อ, องค์บัญญัติมาอย่างนี้เห็นไหมพระภิกษุล่วงละเมิดไม่ได้แต่ถ้าล่วงละเมิดก็มีโทษจิตที่ไม่เอื้อเฟื้อในคํำสอนในขณะนั้นจิตนั้นมีโทษไหม ถ้าไม่คิดจะทำคืนเนี่ยนะเป็นอันตรายกรรมห้ามสวรรค์ห้ามมักห้ามผลห้ามนิพพานหมดเลยถ้าไม่ทำคืนนะท่านท่านบอกไว้เลยว่าห้ามอ่าเขาเรียกว่าอันตรายกรรมมีห้านะหนึ่งกรรมอันตรายนะกรรมทำอันตรอนันตรยกรรมห้านี่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานสองวิปากันตราย วิบากผู้ที่ปฏิสนธิไม่ปฏิสนธิด้วยติเหตุอันนะอันตรายคือวิบากอันนี้ไม่สามารถทำให้บรรลุมรรคผลได้หรือว่ากิเลสเนีย่ยนะอันตรายคือกิเลสเนี่ยนะอันตรายยิกระทคือกิเลสเช่นเป็นนิยตะมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิที่ดิ่งแก้ไขไม่ได้แล้วก็อันตรายคืออานาวิติกรมะคือการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติอันนี้ก็เป็นอันตราย แล้วก็อันตรายอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอริยุประวาทะการว่าร้ายพระอริยเจ้าอันนี้ก็เป็นอันตรายการว่าร้ายพระอริยเจ้านั้นห้ามสวรรค์ด้วยนะห้ามนิพพานด้วยห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานแต่ถ้าทาคืนแล้วก็ไม่ห้ามานะถ้าทำคืนก็ไม่ห้ามอันพันพระพระวินัยบัญญัตินั้นถ้าหากว่าเราไม่เคารพในภาษาสดา มันก็ยากอยู่เหมือนกันอย่าลืมว่าคุณธรำรเบื้องต้นของพระโสดาบันคืออะไรโสดาปฏิยังฆ่าธรรมนะหรือว่าองค์คคุณของโสดาบันเนี่ยคือศรัทธา ม, มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพระสงฆ์แล้วก็มีศีลดีแล้วก็ในโกสัมพีสูตรเนี่ยนะมัชฌิมนิกายกล่าวถึงว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ยังเป็นอบัตอยู่ในส่วนที่ท่านไม่รู้นะ เอาเผลอไปเป็นอบัตอย่งเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนอนที่มุงที่บางเดียวกันกับมาตุคามเช่นบ้านเดียวกันเนี่ยนะอะเราก็นอนก่อนอา้าวผู้หญิงมาไงไม่รู้มาหลับทีหลังไงแล้วเขาก็มานอนตามหลังในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยนะถ้าอย่างงี้ก็ตื่นมาอา้าวเขามานอนตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้เป็นอบัตละเป็นแล้วต้องทําคืนนะอันนี้เพราะอบัตบางอย่างรู้ก็เป็นไม่รู้ก็เป็นนะเนี่ย ท่านจะต้องทําคืนก็บอกว่าถ้าถ้าโสดาบันเป็นต้นแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะที่จะไปปลงได้แม้ความมืดประกอบด้วยองค์สท่านก็จะรีบไปแสดงคืนเหมือนกับเด็กอ่อนเด็กอ่อนที่เหยียดมือไปโดนไฟเนี่ยนะเหยียดมือไปโดนไฟจะรีบหดคืนฉันใดพระอริยเจ้าผู้เป็นโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นอบาบัติท่านจะรีบทําคืนอย่างนั้นแหละเนี่ยนะอันนี้เป็น พิเศษอย่างหนึ่งของพระอริยเจ้าเหมือนกันท่าศีลที่บริสุทธิ์อย่างนี้ชื่อว่าวิสุทธาศี น, นี่นะส่วนศีลที่ยังไม่ได้ทําคืนของพิสูพุต้องอาบัตชื่อว่าอาวิสุทธาศีลไม่บริสุทธิ์ล้ถ้าหากว่าเป็นอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวนี่นะส่วนศีลของภิกษุผู้มีความสงสัยในวัตถุก็ดีในอาบัตก็ดีในอัจฉาจารย์ก็ ด, าชาากดีชื่อว่าเวมติกศีล คำว่าสงสัยในวัตถุเช่นเนี่ยนะโยมข้าวอาหารมาถวายเอ่อยกตัวอย่างเช่นอ่ะเอ้ยเนื้อหมีกับเนื้อหมูเนี่ยนะโบราณท่านบอกว่าเนื้อมันคล้ายกันมากเอ้ยเนื้อหมีหรือเนื้อหมูเนี่ยถ้าสงสัยแล้วก็ขืนฉันลงไปเรื่อยๆอย่างงี้ยนะบางครั้งท้าจริงๆแล้วเนื้อหมูแหละแต่เอ้ยเนื้อหมีหรือเปล่าก็ฉันไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าอย่างนี้เรียกว่าอาบัตที่สงสัยในวัตถุหรือว่า เอ้ลูกชิ้นนี่เนื้อหมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เอ้เนื้อหมาหรือเปล่าก็ยังฉันไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นนะนะอ่าเนื้อหมาไม่ได้รู้ก็เป็นไม่รู้ก็เป็นรู้แล้วก็ต้องทําคืนอ่ะไม่รู้ถ้าหากว่ามันมันผสมก็ไม่ได้อ่ะคือถ้าหากว่าถ้าถ้ามีจริงอ่ะถ้าฉันก็เป็นถึงรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามก็เป็นแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆหรอกในนั้นไม่มีหรอก แต่ว่าสงสัยแล้วก็ฉันเลยเลยนะสงสัยด้วยฉันด้วยสงสัยไปฉันไปเนี่ยเป็นอบัตทุกคำกลือนกันทุกคําที่ฉันนั่นแหละเนนะเนื้อเช่นเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้อราชสีเนื้อเสือเหลืองเนื้องูเนื้อมีเนื้อคนเนี่ยนะนะช้างม้าคนสุนัข หลักๆ น, นะเสร็จแล้วก็ตระกูลเสือเสือเหลืองพวกเสือทั้งหลายแหละ